เมื่ออาทิตย์ที่แล้วมันมีข่าวจากอินเดียอินเดียนี่เป็นประเทศที่หลายเมืองนะมลภาวะนี่หนานแน่นมากโดยเฉพาะเด ล, ลีแล้วก็อีกหลายเมืองเมื่อเร็วนี้เนี่ยเขาก็มีการเปิดเผยนะผลการศึกษาเกี่ยวกับผลของมลภาวะหรือมลพิษนะที่มีต่อสุขภาพขคนเขาก็จอดจงนะเลือก ศึกษา PM 2.5 ซึ่งมีหนานแน่นมากนะในสองเมืองใหญ่คือเดลีกับเชนไนตอนนี้เนี่ยปัญหา PM 2.5 นี่ก็เป็นเรื่องที่รุนแรงแล้วก็ระบาดไปทั่วโลกเดลี Delhi นี่ก็มีค่า PM 2.5 สูงมากเลยนะประมาณ 80-100 หน่วยนะเชนไนนี่น้อยหน่อยนะ สามสิบถึงห้าสิบหน่วยก็น้องๆ น, นะหรือว่าประมาณนะกทมออกรุงเทพของเราบางช่ว<า>งวกรุงเทพก็อาจจะสูงกว่าห้าสิบด้วยนะองค์การทรรมาภิรรที่เขานะกำหนดว่ามาตรฐานที่ปลอดภัยนะั่คือห้าหน่วยนะคืนี้ นักวิชาการของอินเดียเนี่ย ก, ก็ศึกษาติดตามผลนะเป็นเวลาเจ็ดปีนะกับคน 12,000 คนในเดลีกับเชนไนแล้วก็พบข้อมูลใหม่ที่เขาไม่เคยพบมาก่อนก็คือว่า PM 2.5 มเนี่ยมันมีผลทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นผู้ง่านคือทำให้เป็นเบาหวานเพิ่มขึ้น คนจริงๆนี่เบาหวานนี่เป็นเงินเยอะนะที่แรกก็นึกว่าเป็นเพราะว่าอาหารแล้วการไม่ออกกําลังกายนะรวมทั้งความอ้วนนะอันนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าเนี่ยอาหารก็ดีความอ้วนก็ดีการไม่ออกกําลังกายก็ดีเนี่ยมันก็มีผลทําให้เป็นโรคเบาหวานแต่ตอนนี้ก็พบว่ามันไม่ใช่แค่นั้นนะพีเอมสอนี่ก็มีส่วนมาก เพราะมันไปไปรบกวนนะการผลิตและการทำงานของอินซูลินอินซูลินนี่มันเป็นตัวควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดพออินซูลินมีปัญหานะเบาหวานก็เกิดขึ้นได้ง่ายว่า น, นี่เป็นข้อมูลใหม่นะเพราะถ้าก่อนนี้ก็พบแล้วว่านนเพียม 2.5 เนี่ยมันมีผลต่อการเกิดมะเร็งปอด อันนี้เป็นข้อมูลที่เขาศึกษาแหนองกฤษเมื่อหลายเดือนก่อนหลายคนนะที่ไม่เคยสูบบุหรี่เลยหรือไม่ติดบุหรี่เนี่ยแต่ว่าเป็นมะเร็งปอดนี่เป็นเงินเยอะมากนะคนที่เป็นมะเร็งปอดเนี่ยหนึ่งในสามหนึ่งในสีเนี่ยไม่ได้สูบบุหรี่หรือไม่ติดบุหรี่เลยไ้่เป็นมะเร็งปอดได้งไงเนะี่ยตอนนี้เขาก็พบแล้วเนี่ยไอ้พเมสองจุห้าเนี่ยเป็นตัวการสําคัญ ตัวการหนึ่งพอมันไปรบกวนน ะ, ะเนื้อเยื่อในปอดแต่ว่าไอ้เรื่องพีเมการทำให้เป็นเบาหวานนี่ันเป็นเรื่องที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนแต่เขาก็พบว่ามันมีส่วนสัมพันธ์กันอย่างเรียกว่าใกล้ชิดทีเดียวแล้วมันก็มีการค้นพบนะจากอีกกลุ่มหนึ่งนะ ท, ที่ศึกษา คนในเดลีแล้วเชนไนเหมือนกันพบว่าไอพิเอม 2.5 เนี่ยก็มีผลทำให้เกิดโรคหัวใจทำให้มีปัญหาเรื่องความดันเพราะว่าพิเอม 2.5 เนี่ยมันเล็กมากนะมันก็เข้าไปสู่เส้นเลือดได้แล้วมันก็ไปทำลายเนะยื่อบุเส้นเลือดนะรวมทั้งทำให้ มีผลเสียต่อกามเนื้อหัวใจอีกทั้งยังทําให้เส้นเลือดเนี่ยมันแข็งตัวพอเส้นเลือดแข็งตัวเนี่ยความดันมันก็จะพุ่งขึ้นสูงนะดั้นตอนนี้ก็พบอีกอย่างนึงนะว่าเนี่ยนอกจากเบาหวานแล้วเนี่ยพีเอ็มสองจุาให้เป็นโรคความดันสูงแล้วก็โรคหัวใจอ่าแค่เป็นมะเร็งปอด น, นี่ก็ถือว่าหนักแล้วนะเพราะว่า คนกรุงเทพคนเมืองไทยมาเร็งปอดก็เพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวนี้เป็นกันทั่วโลกนะเพิ่มขึ้นเบาหวานก็ก็เพิ่มขึ้นไม่น้อยนะความดันก็เหมือนกันเพราะฉะั้นกลายเป็นว่าในเพม 2.5 นี่กลายเป็นภัยใกล้ตัวที่น่ากลัวมากนะซึ่งคนยังมีความตื่นตัวกันน้อยนะแต่นับวันเนี่ยมันกาลังจะกลายเป็นปัญหา แค่ทำความรบกวนรังควานให้ทำให้หายใจไม่สะดวกเนี่ยอันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่าผลระยะยาวที่ทำให้เป็นมะเร็งปอดที่ทำให้เป็นโรคเบาหวานหรือว่าทำให้เป็นโรคหัวใจเนี่ยอันนี้มันจะตามมาอีกนะถึงแม้ว่าพอถึงหน้าฝนแล้วนะพีเอมจะบรรเทาบาบางลงแต่ว่าผลร้ายที่สะสมเนี่ยมันก็ทาให้หลายคนเนี่ย เก็บป่วยแล้วก็ล้มตายดังนั้นต้องคิดนะถึงว่าถึงมาตรการที่จะช่วยทำให้พีเอมสอเนี่ยมันลดน้อยลงวิธีหนึ่งที่พูดกันนะแล้วก็ทำได้เลยนะคือการปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้เยอะๆเพราะต้นไม้นี่มันช่วยกรองมลพิษนะแล้วก็ช่วยทำให้อากาศบริสุทธิ์มากขึ้นแต่เมืองไทยเนี่ยก่อนที่จะปลูกต้นไม้ให้มากขึ้นเนี่ย ตัดต้นมากกันให้น้อยลงจะดีนะนี่เรายัางตัดต้นมากกันเยอะอยู่นะอย่างเช่นเมื่อเร็วๆนี้ที่พุทธมนทลเนี่ยกลางกรุงเท้แทนะั่นแล้วก็เป็นเขตที่สำคัญมากนะที่ควรจะมีความร่มรื่นเป็นรมมีเนี่เพราะว่าต้นนนซีเนี่ยที่ปลูกนะริมถนนสูงใหญ่โดนตัดกันเกือบเป็นกิโลเลยนะจริงๆเขาจะตัดทั้งสายเลยแต่ว่าถูกห้ามมาไว้มีคนประท้วง ก็เลยตัดแค่ไม่ถึงกิโลต้นไม้นี่แทาไม่เหลือใบเลยนะตัดกันยังไงไม่รู้นะเขาบอกว่าตัดตบแต่งตบแต่งเพื่อไม่ให้กิ่งไม้นี่มันตกมาทำร้ายผู้คนรถยนต์แต่พรากว่าตัดจนกทัางไม่เหลือใบเลยนะเหลือแต่เหลือแต่เหลือแต่กิ่งไม่ถึงกับเหลือแต่ตอนนะแต่เหลือแต่กิ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากเพราะว่า พุทธมนตรทนควจะเป็นที่ที่ร่มรื่นเป็นรม่นรมเงาดีแล้วก็ควรจะอย่างน้อยก็มีส่วนในการช่วยบรรเทามลภาวะนะในบริเวณนั้นซึ่งตอนนี้ก็จราจรหนาแ น, น่นมากแต่ว่าเราเห็นตระหนักกันในเรื่องนี้น้อยนะเห็นว่าการตัดต้นไม้นี่ริมถนนนี่เป็นเรื่องที่ทําได้สะดวกสบายไม่ใช่เฉพาะพุทธมนตรทวนหลายเมืองเลยหลายจังหวัดเออาระเลก็จะตัดต้นไม้อย่างเดียวเลย นะอันนี้เนี่ยเรียกว่าไม่ได้มีความตันหนักหรือสํานึกเพียงพอถึงภัยของมลภาวะโดยเฉพาะ pm สองอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะัการเผาเผาไร่นะซึ่งเกิดจากน้ํามือมนุษย์ด้วยความตั้งใจหรือทั้งการเผาป่าซึ่งอาจจะเกิดจากความไม่ตั้งใจแต่ว่าไฟจากไร่มันก็ลาไปทั้งเผาป่าแล้วก็ pm สองที่มาจากการจราจรจากการเผาไหม้ของรถยนต์เนี่ย พวกนี้เนี่ยมันต้องมีมาตรการนะที่จะต้องบรรเทาเบาบางแต่ว่านักการเมืองก็ยังไม่ค่อยสนใจเพราะว่าแรงกดดันจากประชาชนก็ยังมีน้อยเพราะยังไม่ตระหนักถึงโทษของมันแต่ถ้าไม่ทํากันนะไม่เริ่มต้นทํากันตั้งแต่เวลานี้ต่อไปคนก็จะเจ็บป่วยล้มตายกันมากขึ้นในเรื่องที่มันควรจะป้องกันได้มะเร็งปอดโรคหัวใจนี่ไม่ใช่เป็นปัญหาเลนน้อยนะ เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศและของทั่วโลกเลยซึ่งมันไม่ใช่แค่ป้องกันหรือบรรเทาด้วยการกินอาหารออกกำลังกายนะกินอาหารอย่างถูกต้องออกกำลังกายอย่างพอเพียงแต่มันต้องร ว, งวงมรวมไปถึงการดูแลอากาศให้สะอาดบริสุทธิ์เรือ ม, มีพละวลภาวะให้น้อยลงด้วย